ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้เน่วแน่อย่าให้ใจคุงซ่านไปทางอื่นเรามาประชุมกันในสาระกา ร, รเรียนนี้ก็มุ่งหวังว่าจะมาอบรมจิตนี่แหละ ให้เข้าถึงความสงบเมื่อจุดประสงค์มีอย่างนั้นก็ให้พึ่งน้อมใจลงสู่ความสงบจริงๆอย่าคิดสงสัยไปทางอื่นมันผิดความประสงค์ทำอะไรก็ต้องใช้อธิษฐานบารมีขึ้นก่อน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 เพื่อให้ใจมันมั่นเข้าส่วนชัดจะบ ร, รมีนั้นเป็นการขีดเส้นลงไปว่าเราจะทำอย่างนั้นจริงจกไม่ ท, อทอ้อถอยถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆอ่ะเว้นเสียแต่มีเหตุอันใดอันหนึ่ง มันจำเป็นจริงๆก็จึงค่อยละความสัตว์นั้นถ้าหากว่าไม่มีเหตุจริงๆแล้วก็ไม่ละอันนี้เป็นความเป็นอุบายสำหรับอบรมใจให้มันตั้งมั่นลงไปเห็พึงพากันเข้าใจใจนี้ถ้าไม่มีอุบายธรรมะ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 ถ้าเราไม่รู้จุดมุ่งหมายเราไม่รู้เหตุผลซะก่อนการภาวนามันก็ไม่เอาจริงเอาจัง mm hmm. การที่บุคคลจะเอาจริงเอาจังเรื่องภาวนาก็เพ่ามามองเห็นว่าบรรดากิเลสทแทหแ่งทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นจากกิจ ด, ดวงนี้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 เมื่อไปเห็นของผู้อื่นหลายกูรตนก็คิดอยากได้อย่างรุนแรงเป็นเหตุให้ได้ไปทำเบียดเบียนเอาทรัพย์สมบัติพืนมาเป็นของตน <c oughs> อันนี้นะลักษณะของความโลภให้พึงเข้าใจนั่นแหละพงเจ้าจึงวอามันเป็นเหตุให้ทำบาปนั่นแหละ ความโกรธก็เหมือนกันนะอาศัยเหตุแหละที่คนเรามันจะโกรธนั้นถ้าไม่มีเหตุอันใดหนึ่งก่อนมันไม่โกรธเึงเม น, นะเช่นอย่างว่าใครมาด่าว่าติเตียนก็ดีหรือว่าใช่ใครแปล่าอะไรมาให้แล้ว เขาไม่เขาออกมาให้ไม่ได้สมหวังมูนี่มันก็โกรธทั้งนั้นแหละนี่ถือว่าตนมีอำนาจเหนือคนนั้นอยากจะว่าอะไรก็ว่าไปอยากจะโกรธก็โกรธไปเนี่ ก, ก็เป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นมา ประหัดประหารซึ่งกันและกันเนี่ยมูลเหตุเหตุที่จะให้เคยความโกรธอะพูดง่ายๆว่าทำอะไรพูดอะไรไปแล้วมันผิดหวังอ่ะมันมีแต่โกรธคนไม่เห็นโทษอย่างความโกรธนะมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นทางที่ระงับความโกรธนี่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 ประกอบเข้าไปด้วยหลายแรงช่วยกันมันก็เป็นเนี่ได้ความโกรธมันมาระ ง, งับลงความโกรธระงับลงมันมาถึงขั้นแบบว่ายินร้ายนี่ยินร้ายนีนหมายถึงว่าเพียงแต่นึกคิดอยู่ในใจ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 ความหลงอย่างกลางนี่ก็นับว่าสำคัญไม่ใช่น้อย mm. เช่นความสุขความติดในความสุขชั่วคราวดังที่เคยขื้นมาเคยพูดมาบ่อยๆหล่านั้นนะอย่างนี้มันก็เป็นความหลงอย่างกลางเลยเพราะว่าการติดความสุขชั่วคราวนั้นมันก็ไม่ถึงกับเป็นบาปแต่มันเป็นกิเลส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 กระทั้งนี้ก็เพราะว่ามันหลงนั่นเองแหละจิตใจนั่นะมันมืดมนอนทาการมองดูบาบุญคุณโทษทั้งหลายไม่เห็นเลยเงีย่ยทำให้ใจไม่เบิกบานต่อบุญต่อกุศลได้ทำให้ท้อแท้ใจอันนี้ท่านจะดรอเป็นความหลงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากัน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 แต่ถ้ามีเชื้อมาใส่เข้าไปแล้วก็มันลุกพโพร่ขึ้นเป็นแสงใหญ่มีความร้อนมากเผาไม่บ้านเรือนให้พินาศทิหายไปอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกิเลสนี่เมื่อถึงแม้มันจะมีปริมาณน้อยก็ตามอยู่ในใจแต่ถ้าเขาบุคคลไม่เพียรละมันแล้ว หน่อยมันก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นมันก็มากขึ้นมากขึ้นนะเป็นเนได้บุคคลทำบาปด้วยกายวาจาใจได้อีกแล้วเป็นอางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึางได้ทรงสอนให้ภาวนาสมาธินั่นเนี่ยก็เพื่อระ ง, งับกิเลสอย่างกลางเนี่ยให้ออกไปจากกิจใจ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 แล้วก็ยังไม่พอใจยังไม่จุใ จ, จมาเพียรพยายามละ ก, กิเลสอย่างละเอียดเข้าไปอีกกิเลส่างละเอียดนี่นป่าละเอียดมากจริงนะ <c oughs> <c oughs> เหมือนกับเชื้อโรคในกายของคนเราเนี่ยเราจะมองดูด้วยตาหนังนี่ไม่เห็นเลยฉะนั้นที่จะเห็นได้เขา ต้องใช้กล้องจุลทัศน์มาส่องดูตัวเชื้อโรคในกายของคนเราเนี่ยจึงสามารถมองเห็นได้เนี่ยว่ากล้องจุลทัศน์ขยายให้ขยายจากส่วนเล็กๆให้เป็นส่วนใหญ่ได้ตัวโรคไ้แค่ เ, เจ็บตัวเล็ ก, ลกแต่เมื่อ กล้องมันทำหน้าที่ขยายออกแล้วปลากฏว่าเป็นตัวใหญ่หน่ากลัวอยู่ในร่างกายอันเนี้ยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ย <c oughs> ไอ้กล้องส่องภายนอกกล้องส่องเหล่านั้นมันก็ส่องได้แต่ภายนอกหรือว่าส่องดูได้แต่ร่างกายนี้เท่านั้นแหละแต่มันจะส่องดูจิตใจของคนเรานั้นมันไม่ได้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 มนเนีทัานเนว่าอนุสัยคือมันเป็นกิเลสอย่างละเอียดนอนนิ่งอยู่ในจิตใจนูน่นคล้ายๆกับว่ามันไม่มีเลยอะเช่นอย่างความยินดีพอใจในกรรมคุณทั้งห้าอย่างนี้นะเพ่งดูแลไม่มีเลยในจิตใจนั่นน่ะนั่นนะถ้าปัญญาไม่ละเอียดจริงๆก็มองไม่เห็นเลย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 นี่ต้องมองดูจิตใจของตัวเองให้พบ <c oughs> <c oughs> ตน <c oughs> ตนได้ละกิเลสอย่างหยาบหยาบนั้นออกมาแล้วหรือยังอ่ะ เหรือว่ายังไม่ได้ละให้เบาบางเลยอย่างนี้นะควรพากันพิจารณาดูให้ดีถ้าว่าเราไม่ได้เพ่งพิจารณาดูเรามันก็รู้ไม่ค่อยได้เพราะนั้นต้องอาศัยสมาธิอาศัยปัญญานี่แหละสอดส่องมองดูสังเกตดู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 ก็เป็นอันว่าเป็นอันว่าละความหลงอย่างงาบได้แล้วมันก็มาหลงอยู่อย่างกลางเช่นเช <c oughs> ่นหลงว่า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 เมื่อมันเห็นแจ้งนีปัญญามันก็สอนจิตให้ปล่อยให้วางไม่ให้สำคัญเราเป็นสมบัติของตนจริงจังอะไรเลยเป็นแต่ร่างที่เพื่อให้ดวงจิตนี้ได้มาอาศัยสร้างบุญบา ร, รมีท่านสำหรับบุคคลผู้มีบุญนะผูเชื่อบุญมาแต่ก่อนแล้วเกิดมาชาตินี้มันก็มา ตั้งใจสร้างเอาอีกเพราะว่าเท่าที่สร้างมาแล้วนั่นมันมันยังไม่เต็มยังไม่พอก็เพียยายามสร้างบุญกุศลตั้งแต่อย่างต่ำนู้นแหละจนมาถึงอย่างกลางอย่างสูงให้เจริญงอกงามขึ้นในตนทีนี้เมื่อบุคคลไม่ละนิวรณ์ห้านี่ให้ระงับไปจากกิจใจก่อนนะ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 ไม่คิดที่จะทำความดีให้สูงขึ้นไปกว่านั้น <c oughs> ทางนี้ก็เพราะอาศัยนิวรณนท้งห้านี่ยอย่างดอย่างึงครอบงำจิตใจไว้อ่เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะรักษาศีลหรือภาวนาให้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 จิตใจระ ง, งับไปแล้วจากนิวรหะนิวรหะระงับไปจากกิจแล้วก็มาเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตต า, า <c oughs> ดังกล่ามานั้นเสมอเสมอไปเพื่อจะได้ละอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตน